พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่กําหนดย่อมไม่ทําตัณหาและทิฏฐิไว้เบื้องหน้าสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวว่าความย่อมไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดโดยส่วนเดียวสัตบุรุษเหล่านั้นละกิเลสเป็นเครื่องถือมั่นผูกพันร้อยรัดแล้วไม่ทําความหวังในที่ในไหนในโลกนะอันนี้พูดถึงพาตอาหารว่าท่านไม่มีการกําหนดด้วยตัณหาและทิฏฐิเลย เพราะท่านไม่ทําตันหาและทิถิเอาไว้นําหน้าพาไปเนี่ยนะอธิบายว่าสัตว์บุรุษเหล่านั้นย่อมไม่กําหนดไม่ทําตันหาและก็ทิถีในเบื้องหน้าคือกําหนดด้วยตันหาและทิถิเนี่ยนะว่าสัตว์บุรุษเหล่านั้นละความกําหนดเอ่อความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฐิเพราะเป็นผู้ละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฐิแล้ว สัตบุรุษเหล่านั้นจึงไม่กําหนดซึ่งความกําหนดด้วยตันหาหรือความกําหนดด้วยทิฏฐิคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่กําหนดนะนะไม่กําหนดและะ้วท่านก็ไม่ทําตันหาและทิฏฐิเอาไว้เบื้องหน้าเนี่ยนะไม่ทําตันหานําหน้าไม่ทําทิฏฐิไว้เบื้องหน้าสัตว์บุรุษเหล่านั้นท่านละความทําไว้ในเบื้องหน้าด้วยตันหาสละคืน ความกระทำไว้เบื้องหน้าด้วยทิฏฐิแล้วเพราะเป็นผู้ละความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยตันหาสละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฏฐิจึงไม่กระทำตันหาและทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าเที่ยวไปคือเป็นผู้ไม่มีตันหาเป็นธงชัยไม่มีตันหาเป็นธงยอดไม่มีตันหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฏฐิเป็นธงยอดไม่มีทิฏฐิเครื่องเป็นใหญ่นะไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ เป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่แวดล้อมเที่ยวไปเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุถุชนทั่วไปใช่ไหมตันหาทิฏฐินี่แวดล้อมหอ่อหุ้มหุ้มหอ่อปะอย่างนั้นแหละสัตว์บุรุษเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดโดยส่วนเดียวความว่าสัตว์บุรุษเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงซึ่งความไม่หมดจดส่วนเดียวว่าความหมดจดจากสงสารความหมดจดโดยอคริยะทิฏฐิ ว่าถ้าว่าสังขารเที่ยงว่าเป็นความหมดจดโดยส่วนเดียวนะคือพระอรหันเนี่ยท่านไม่ถือว่าเออเนี่ยถ้าอยู่ในสงสารแล้วจะหมดจดจากสงสารเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยนะหรือหมดจดด้วยไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกหรือสังขารเที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเครื่องหมดจดอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้กล่าวว่าไอย้ยางนั้นอ่ะเป็นความหมดจดสัตบุรุษเหล่านั้นละกิเลสเป็นเครื่องถือมั่นเครื่องผูกพันร้อยรัดได้แล้วมีความว่า คำว่ากิเลสเครื่อง ผ, ออผูกพันเนี่ยนะมีอยู่สอย่างกิเลสเครื่องผูกพันทางกายคืออภิชาเนี่ยนะอภิชากายคันทะปะยาปาทะกายคันทะศีลพัตตะปามาสะกายคันทะอีทางสัจจานิเวสากายคันทะเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องผูกพันความกำหนัดความเพ่งเล็งด้วยทิฐิของตนเป็นกิเลสเครื่องผูกพันทางกายเรียกว่าอาภิชากายคันทะ ความอาฆาตความไม่ยินดีความพยาบาทในถ้อยคําของชนเหล่าอื่นชื่อว่าพยาปาทกายคันทะศีะพรพตะปรามาคือความยึดถือศีลหรือวัดหรือทั้งศีลและวัดชื่อว่าศีพรพตะปรามาสกายคันทะความเห็นยึดถือว่าสิ่งนี้จริงของตน่ะเป็นเครื่องผูกพันทางกายเรียกว่าอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะเพราะเหตุไรจึงเรียกว่าเป็นกิเลสเครื่องผูกพัน นะทำไมจึงเรียกว่ า, ากายคันทะละ่ะกิเลสเครื่องผูกพันเนี่ยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมถือเข้าไปถือจับถือมั่นยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารด้วยกิเลสเครื่องผูกพันเหล่านี้เนี่ยนะไอ ขันธ์ทั้งสีเนี่ยนะอภิชาพยาบาทสีลพัตตะปรามาสะหรือทางสัจจพิเนเวสะกายคันธะก็ยึดในขันห้ายึดในคติอุบัติปฏิสนทิพบยึดในวัตะก็อาศัยกิเลสเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ยึดให้ถือให้จับให้ยึดมั่นถือมั่นในในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นคําว่าละคือสลัดหรือละกิเลสเครื่องผูกพันทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งสัตว์บุรุษเหล่านั้นแก้หรือละกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องร้อยรัด เครื่องรัดรึงเครื่องพันตรึงเหนียวรั้งติดข้องเกี่ยวพันพันอยู่เหมือนชนทั้งหลายทําความปลดปล่อยไม่กําหนดวอรถเกวียนหรือรถมีเครื่องประดับฉชนั้นอีกอย่างหนึ่งสัตว์บุรุษเหล่านั้นแก้หรือละ ก, กิเลธทั้งหลายที่ผูกพันร้อยรัดรัด ร, รึงพันตรึง มี่วรั้งติดข้องเกี่ยวพันพันอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัตว์บรุษเหล่านั้นอะละกิเลสเครื่องถือเครื่องผูกพันเครื่องร้อยรัดแล้วเนี่ยนะไอ้กิเลสเครื่องผูกพันพันเอาไว้ในวัตฏะเนี่ยพระพระอรหันต์หรือสัตว์บรุษทั้งหลายเหล่านั้นอะท่านตัดเรียบร้อยแล้วย่อมไม่ทําความหวังในที่ในไหนในโลกนะความหวังก็เป็นชื่อของตัณหาใช่ไหมท่านพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ทําตัณหาเป็นเครื่องหวังอีกแล้ว คำว่าย่อมไม่ทําความหวังความว่าไม่ทําความหวังไม่ให้ความหวังเกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้ความหวังบังเกิดไม่ให้ความหวังเนี่ยบังเกิดเฉพาะกําจัดความหวังออกไปเนี่ยคําว่าในที่ไหนๆคือในที่ไหนๆในที่ใดที่หนึ่งทุกขนทุกแห่งภายในภายนอกทั้งภายในและภายนอกอ่ะท่านไม่ทําความหวังแม่ภายในไม่ทําความหวังภายนอกไม่ทําความหวังทั้งภายในทั้งภายนอกแต่ไม่โง่เนี่ ไม่ใช่นั่งน้ำลายยืดก็เวลาไม่ใช่นั้นโง่แต่ว่านี้สติปัญญาตัดฉั้นทราคาตัดตันหาในอารมณ์ทั้งปวงได้หมดอ่ะจึงไม่หวังอันสรุปคาถาว่าสัตว์บรุษทั้งหลายไม่กำหนัดไม่กำหนัดด้วยตันหาทิฐิเนี่ยนะย่อมไม่ทําตันหาและทิฐิไว้ในเบื้องหน้าสัตว์บรุษเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวเป็นความหมดจดโดยส่วนเดียวนะด้วยทิฐินะสัตว์บรุษเหล่านั้นละกิเลสเป็นเครื่องถือมั่นผูกพันร้อยรัด ไม่ทําความหวังด้วยอำนาจตันหาในที่ในไห น, ไหนในโลกอนะนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอ่ะท่านไม่ต้องการความหวังท่านไม่มีความหวังแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะโดยที่สุดไม่หวังแม้แต่ชีวิตจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นแล้วนงะี้ยพระอรหันต์นั้นอ่ะผู้ล่วงเขตแดนแล้วลอยบาปแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วแต่ว่าไม่ได้มีความยึดถือพระอรหันต์ท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่ยึดถือด้วยตันหาและทิฏฐิ ทั้งไม่ได้มีความกำหนัดด้วยตันหาและทิฏฐิ dash, ในการมาคุณเป็นที่กำหนัดนะไม่มีความกำหนัดในในสิ่งที่น่ากำหนัดเลยมิได้กำหนัดในสมาบัติที่คลายกำหนัดท่านไม่กำหนัดแม้กระทั่งในฌานในสมาบัตินะไม่กำหนัดในกามไม่กำหนัดในฌานสมาบัตรูปฌานอารูปฌานและก็ไม่ได้มีความยึดถือว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมคือไม่ได้ยึดถือกามไม่ได้ยึดถือสมาบัตินะว่าเป็นสิ่งเยี่ยมไม่ใช่ท่านไม่ได้ยึดแม้กระทั่งในสิ่งเหล่านี้นะ อันอนธะิบายว่าพระอาหารหันต์ผู้ล่วงเขตแดนแล้วลอยบาปแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วแต่ว่าไม่ได้มีความยึดถื อ, อ น, นะเยว่าผู้ล่วงแดนน่ะแดนก็คืออะไรแดนสี่อย่างแดนสกายะทิถิวิจิกิจชาศีลพัตตปรา ม, มาต์อนุยัยคือทิฐิอนุยัยคือวิจิกิจชาและเหล่ากิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกันอันนี้เป็นแดนที่หนึ่งเนี่ยนะ อันพาหาันท่านข้ามแดนที่หนึ่งด้วยโสดาปฏิมักก่อนเป็นเบื้องแรกนะ น, นะพวกแดนกิเลสนะเนีเหมือนนักโทษเลยว่างังนะ้นสังโยชตคือการมาราฆะสังโยชน์คือปฏิฆะอนุสัยคือการมาราฆะอนุสัยคือปฏิฆะส่วนหยับหยบับและเหลวกิเลสที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกับการมราคะสังโยตเนี่ยเป็นแดนที่2อันเะนี้ยท่านข้ามแดนเหล่านี้ด้วยโสดาปฏิมักกันนะ สังโยชน์คือการมาราคาปฏิฆาอนุสัยคือการมาราฆาปฏิฆาส่วนละเอียดและเหล่ากิเลสที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันอันนี้เป็นแดนที่สาท่านข้ามแดนที่สาอันนี้ด้วยอนาคามิมักรูปปาราคาอรูปราค า, ปป า, คามานะอุทะจาวิชชาอนุสัยคือมานะพะวาราฆาวิชชาและกิเลสที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันอันนี้เป็นแดนที่4นะแดนที่4อันนี้ท่านข้ามด้วยอรหัตตมักเมื่อใดพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ก้าวล่วง ด้วยโสดาปฏิมักก้าวล่วงด้วยดีด้วยสกทาคามีมักล่วงเลยนะแดนทั้ง4อย่างเหล่านี้ด้วยมักทั้ง4เมื่อนั้นผ้ารหันนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ล่วงแดนแล้วนะล่วงแดนกิเลสที่มันเป็นขั้นขๆ้นขันะที่มันถูกมันมัดมันร้อยมันรัดมันรัดตึงเอาไว้ในขันายตนาธาตุเนี่ยท่าน9้าล่วงด้วยอรหัตด้วยอริยมักตั้งกับโสดาปฏิมักสกทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมัก เงินะ่าหันจึงชื่อว่าเป็นผู้ลอยแล้วนะลอยทำเจ็ดประการคือสกายาธิฐิวิจิกิชา้าศีลภัตตปรามาศเนี่ยนะลอยราคะโทสะโมหะมานะธิฐิเนี่ยท่านลอยหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นพรมเอ่อเป็นพรมหรือพราหมนะคือผู้ลอยบาปเนี่ยนะท่านรู้แล้วคือรู้ด้วยเจโตปริยญาณรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณคําว่าเห็นแล้วก็เห็นด้วยมังสะจักษุเห็นด้วยทิพจักษุคือพระ่าหันเนี่ยท่านรู้ท่านเห็น แต่ความยึดถือด้วยอำนาจตันหาทิฐิไม่มีคําว่าความยึดถือความว่าพระ้าหันนั้นไม่ได้มีความยึดถือถือมั่นยึดติดน้อมใจไปว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐใหญ่ที่สุดบวรไม่ใช่นะไม่เหมือนคุณบุญชวนนะเห็นอะไรบอกเนี่ยยอดเลิศประเสริฐไม่ใช่มาจากอันนี้ก็สูงสุดสุดยอดนี่ไม่ใช่นะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ยึดถืออะไรเหล่านี้ว่ามันเลิศประเสริฐสีอะไรหรอกเนี่ยนะ คำว่าไม่มีคำว่าย่อมไม่มีมีอยู่หาไม่ได้ไม่ปรากฏไม่เข้าไปความยึดถือนั้นอันผ้าหันนั้นะละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเนี่ยนะท่านเผากิเลสในทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าผ้าหันนั้นอ่ะผู้ล่วงเขตแดนแล้วลอยบาปแล้วรู้และเห็นแล้วไม่ได้มีความยึดถือ คำว่าไม่ได้ความไม่ได้มีความกำหนัดในกามคุณอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ได้มีความกำหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายกำหนัดกามคุณเนี่ยหน้ากำหนัดตัวสมาบัติเนี่ยคลายกำหนัดจากกามคุณทีนี้ผ้าอรหันเนี่ยท่านละคลายกามคุณด้วยสมาบัตแล้วท่านก็ไม่ยึดติดในสมาบัติเพราะท่านอาศัยสมาบัติเจริญวิปัสสนาตัดฉันทราคะในวิสมาบัตได้หมดน่ะเพราะฉะนั้นมีความว่า ชนเหล่าใดกำหนัดรักใคร่หลงไหลต um ิดใจลุ่มหลงข้องเกี่ยวพัวพันในกามคุณห้าชนเหล่านั้นชื่อว่ากำหนัดในกามคุณเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดชนเหล่าใดกำหนัดรักใคร่หลงไหลลุ่มหลงเกี่ยวข้องพัวพันในรูปราวจรสมาบัติอรูปราวจรสมาบัติชนเหล่านั้นเชื่อว่ากำหนัดแล้วในสมาบัติเป็นที่คลายกำหนัด ส่วนพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งไม่ได้กำหนัดในการมาคุณเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมิได้กำหนัดในสมาบัติเป็นที่ตั้งแห่งคลายความคลายกำหนัดสรุปว่าพระอรหันต์ท่านไม่กำหนัดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบไม่กำหนัดในฌานสมาบัติที่ให้เกิดในพบเหล่านั้นไม่มีสักอย่างนะเมื่อใดการมราคะอรูปรูปประราคะอรูปประราคะเป็นกิเลสอันพระอรหันต์นั้น่ละ ตัดมูลรากขาดแล้วทําให้ตั้งอยู่ไม่ได้ดังตาลยอดด้วนทําให้ไม่มีทําให้ไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเมื่อนั้นพผ้าหัน์ชื่อว่ามิได้มีความกําหนัดในการมาคุณเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดมิได้มีความกําหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายกําหนัดด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้เนี่ยนะก็ไม่กําหนัดไม่ติดข้องสักอย่าง มิได้ความยึดถือว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมคือพาหาันก็ไม่ได้ยึดถือนะว่ากามคุณหรือฌานสมาบัติว่ายอดเยี่ยมคือไม่ได้ความถือถือมั่นยึดมั่นติดใจน้อมใจไปว่าสิ่งนี้เลิศประเสริฐวิเศษเป็นใหญ่สูงสุดบวรไม่ใช่คำว่าพระาหันเนี่ยไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าความยึดถือนั้นอนะ่ะพาหันท่านละตัดขาดสงบประงัดทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยาน เพระฉะนันพาดหันนั้นผู้ล่วงเขตแดนลอยบาปแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นอนนะท่านมีตารู้มีใจรู้แต่ว่าไม่มีความยึดถือทั้งไม่มีความกำหนัดในกามมิได้กำหนัดในสมาบัติแล้วก็ไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งเหล่านี้ยอดเยี่ยมยเพราะอะไรเพราะท่านตัดฉั้นธราคะในสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านบรรลุอริยสัจแทงตลอดอริยสัจเห็นธรรมะที่สงบประงับจากสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลได้แล้ว่ะ ในอัตกถาสุทธะตะสุตตานิเทศตอนท้ายๆเนี่ยนะกล่าวถึงอนุสัยเอาไว้ดีเนี่ยนะซึ่งอนุสัยนั้นอะในยุคนี้เขาถือว่าเป็นกิเลส ท, ที่มันนอนเนื่องแช่ยอยู่นะซึ่งถ้าตามอัตกถาสุทธะตะสุตตานิเทศเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นครับจึงมีคําถามเนี่ยนะในหน้าห้าร้อยห้าสิบว่าอนุสัยเนี่ยพ่ออัดว่าอะไรอนุใส์เนี่พรออัดทว่านอนเนื่อง ไอ้คำว่านอนเนื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ้นอนเนื่องมีความหมายว่ายังละไม่ได้เพราะกิเลสเหล่านั้นน่ะชื่อว่านอนเนื่องในสันดานของสัตว์นั้นน่ะเพราะอัตถะว่ายังละไม่ได้จึงเรียกว่าอนุสยัยอนุใสเนี่ยมองในแง่ว่ายังละไม่ได้เพราะฉนะนั้นคําว่าอนุเสนตินี่หมายคำว่าได้เหตุที่สมควรแล้วย่อมเกิดไอ้คำว่าอนุสัยเนี่ยนะในขณะนั้นน่ะไม่มีแต่ว่าถ้าได้เหตุที่สมควรแล้วเกิดเลย ทีนี้หากจะมีคำถามว่าอาการที่ยังละไม่ได้เ <issements> ชื่อว่ามีอาจว่านอนเนื่องเนี่ยพึงมีก็ควรจะกล่าวว่าอาการที่ยังละไม่ได้เกิดขึ้น pretending? เพราะฉะนั้นอนุสสยเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นนะเขาจึงบอกว่าไอออนุส่เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะอนุสัยมันต้องไม่มีสิเพราะฉะนั้นอาการที่ยังละไม่ได้ไม่ใช่อนุสสยแต่แก่ว่าอาการที่ยังละไม่ได้ไม่ใช่อนุสั่ ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าละไม่ได้เป็นอนุสัยไม่ใช่นะแต่กิเลสที่มีกําลังอ่ะท่านเรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสที่มันมีแรงมากอ่ะเรียกว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นมีความหมายไว้อย่างละไม่ได้เพราะได้เหตุที่สมควรแล้วเกิดเลยอนุสัยนั้นเป็นจิตสัมปยุติอนุสัยเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสต้องเกิดร่วมกับจิตแล้วก็เป็นสารมณนะอนุสัยเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อนุสัยนี้เป็นสเหตุกะ เกิดพร้อมกับเหตุเพราะเป็นไปกับด้วยปัจจัยอนุสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยอนุสัยเนี่ยเป็นอากุศลโดยส่วนเดียวอนุสัยเนี่ยเป็นเตกาลิกะคือเป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันฉั้นคําว่าอนุสัยเนี่ยก็คืออะไรก็คืออากุศลที่มันมีกําลังนะว่า ง, ง่ายๆอากุศลที่มันมีกําลังนั่นแหละพอได้เหตุแล้วเกิดเลยเหมือนกับว่าทําไมเห็นสีสวยแล้วชอบเลยอ่ะนั่นแหละคือมันมีกําลังขนาดนั้นอะ่ะจึงเรียกว่าอนุสัย ทำไมเขาด่าเรากโกรธเลยอ่ะอันนั่นแหละอนุสัยมันมีกําลังแบบนั้นอ่ะทําไมมิจฉาทิฐิเกิดเลยทําไมเห็นแล้วลืมตาปับ๊บทาไมไม่เห็นอริยาศาสตร์เลยอ่ะอนุสัยมันมีกําลังขนาดนั้นอ่ะมันทําตกปิดไม่ให้รอบรู้อ่ะทําไมถือตัวโอ้อวดได้ทันทีอ่ะนะทําไมเขายกชมตัวเองทําไมพองทันทีทําไมมีมานะไปเลยอ่ะนั่นแหละอนุสัยมันแรงแบบนั้นอ่ะมันมีกําลังแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นในปฏิสัมพิธามมร์เนี่ย ท่านจึงถามว่าการละ ก, กิเลสขึ้นเนี่ยมันกิเลสเนี่ยจะก็ถามในอภิสมัยญาติฐานเนี่ยบอกว่าไอ้การละ ก, กิเลสเนี่ยละ ก, กิเลสในปัจจุบันหรื อ, อยังไงหรือละกิเลสอดีหรือละ ก, กิเลสอนาคตหรือละ ก, กิเลสปัจจุบัน น, นะสมมติถ้าหากว่าละ ก, กิเลสในปัจจุบันถ้าละอนุสัยในปัจจุบันนะงั้นมรรคกับอนุสัยมันก็ต้องเกิดบนกันนะสิใช่ไหม มันไม่ใช่เหมือนว่าถั่วนะมันต้องปากต่อปากฟันต่อฟันนะธรรมะไม่ใช่เป็นแบบนั้นธรรมะ น, นี่ก็คือเมื่อ น, นอิอริยมรตมีนิพานเป็นอารมณ์ถอนอนุใสเนี่ยนะนั้ น, อ น, นอนุสัยที่อริยมรละไม่ใช่อนุสัยที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะเพราะต้องละอนุสัยที่เพราะอนุใสเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสถ้าได้ปัจจัยแล้วมันเกิดเนี่ยนะเพราะการที่อารยมรเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัตว์ บรรลุอริยสัจเนี่ยนะหลังจากนั้นถึงได้ปัจจัยแบบธรรมดากิเลสมันก็ไม่เกิดแบบตามเดิมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในไอคำว่าอนุใส่เนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรจากปริยุทธานเพราะฉะนั้นโมหะที่เกิดขึ้นกับอนุใส่เข้าไปโมหะเกิดขึ้นกับอกุศลจิตเป็นอวิชานุสัยเพราะฉะนั้นอวิชาเกิดที่ใดอะนะหรืออากุศลจิตเกิดที่ใดที่นั่นมียวิชานุสัยหมดเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นการครอบงำเคือวิชาลิ่มเคลือวิชาโมหะเป็นอกุศลมูลเนี่ยมีในสมัยนั้นเพราะฉะนั้น อ, อนุใส่เนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตมันไม่ใช่ว่ามันไปเกิดที่อื่นนะไม่ใช่ไปเกิดที่ทต้นไม้ใบหญ้าเกิดที่ผมขนเล็บไม่ใช่เพาอนุใส่เนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตอย่างเดียวเพราะแม้กระทั่งในกถาวัตถุท่านยังบอกว่าปฏิเสธว่าอนุสัยไม่ใช่อัพยากตะนะอนุสัยไม่ใช่อเหตุกะอนุใส่ไม่อนุสัยเนี่ย ไม่ใช่เป็นจิตวิปยุตคืออนุสัยเนี่ยไม่ได้เป็นอัพยากตะอนุสัยเนี่ยไม่ใช่เป็นอาเหตุตุกะเอาอนุสัยไม่ใช่ไม่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอนุปัชนะวาระแห่งมหาวาระเจ็ดในอนุสัยยมกท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอนุสัยคือการมาราคาเกิดแก่ผู้ใดอนุสัยคือปฏิฆาย่อมเกิดแก่ผู้นั้นใช่ไหมเนี่ยนะก็ถามเพราะฉะนั้นคําว่าอนุเสนตินี้หมายคําว่าได้เหตุที่สมควรแล้วย่อมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นไอคำเนี่ยถูกต้องและเป็นแบบแผนที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นชื่อของอกุศลที่นี้อนุสัยเนี่ยต้องแบ่งออกเป็นสองอย่างคืออนุสัยที่เป็นจิตตะสำปรยุทธ์เนี่ยนะเป็นไปกับด้วยอารมณ์แปลว่า เ, าเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะอ น, อนุสัยเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับอกุศแลแจิตเพราะฉะนั้นอนุสัยเนี่ยถ้าแบ่งไปแล้วแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นสหชาตาอนุสัยกับ ที่เป็นอารมณนานุสเนี่ยนะอนุสัยที่เป็นสหชาตานุัยก็คือไอตัวกิเลสที่มันเกิดร่วมกับอะคุโสรจิตเรียกว่าสหชาตานุัยแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นที่มันจะเป็นอนุสัยเพราะว่าได้อารมณ์ที่สมควรแก่ตัวเองแล้วเกิดขึ้นอันนะั้นไอวิจิกิจฉานุสัยก็เกิดร่วมกับโมหามูลจิตะ น, นะโมหะมูลจิตที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุทธ์อะ ถ้าทิฐานุสัสก็สัมปยุติกับทิฏฐิขตะสัมปยุตตะจิต4อวิชานุัยก็เกิดร่วมกับอากุศลจิต12เนี่ยนะก็ทั้งโดยสหาชาตะและโดยอารมณ์คืออากุศลจิต12เนี่ยนะเป็นเกิดร่วมกับอวิชานุัยในขณะเดียวกันอากุศลจิต12ก็เป็นอารมณ์ของอวิชานุัย ทิฏฐิวิจิกิจฉาและโมหะทั้งสามเนี่ยนะท่านกล่าวว่าธรรำะในภูมิสามเป็นอารมณ์สรุปว่าทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างที่ที่อยู่ในวัตะเนี่ยเป็นอารมณ์ของทิฏฐิวิจิกิจฉาและโมหะได้หมดเลยการมราคานุสัยเนี่ยนะท่านกลา่าวไว้ในจิตที่สหรคตด้วยโลภะด้วยสา ม, มารถสหาชาตธรรมและด้วยอารมณ์เนี่ยนะคือตัวตัวการมราคาหรือตัวโลภะเนี่ยเกิดร่วมกับ การมาราค่าโลภะเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตนะนะแต่ขณะเดียวกันโลภะมูลจิตก็ยังเป็นอารมณ์ของกามราคานุสัยด้วยเนี่ยนะส่วนธรรมะที่เหลือเนี่ยนะธรรมะที่เหลือก็เป็นอารมมณานุสัยของการมราคานุสัยได้หมดเลย น, นะนะคือพวกรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพสวยๆเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของกามราคานุสัยหมดอนะ่ะปฏิคานุสัยเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะมูลจิต ในขณะเดียวกันโทสะมูลจิตก็ยังเป็นอารมณ์ของปฏิคานุสัยถามว่าเช่นเวลาเราโกรธขึ้นนะนะไอ้ตัวความโกรธเนี่ยเป็นปฏิคานุสัยใช่ไหมถามว่ามันชอบคนอื่นที่เราโกรธเราด้วยไหมอั น, นไอ้ความโกรธของคนอื่นก็เป็นอารามมะณะของปฏิคานุสัยนี่นะอันความโกรธมันก็ไม่ชอบความโกรธเหมือนกันส่วนมาณะเนี่ยเกิดร่วมกับโลภะทิฏฐิขตวิปยุทธ์เนี่ยนะ แล้วก็โลภะที่ฐิกตาวิปยุทธ์เนี่ยก็เป็นสหชาตานุใสในขณะเดียวกันโลภะที่ฐิกตาวิปยุทธ์ก็เป็นอารมณา น, านุสัยด้วยเนี่ยนะแล้วก็อารมณ์ที่น่าปรารถนาทุกอย่างเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของมานานุสัยได้หมดเลยส่วนภวะราคานุใสเนี่ยนะภาวะราคานุใสก็เกิดร่วมกับโลภะวิปยุทธ์สีนะแต่ว่าอารมณ์ของภาวะราคานุใสก็คือ รูปราวจรธรรมและอรูปราวจรธรรมเนี่ยนะคือมหคกตะเนี่แหละเป็นอารมณ์ของภวะราคานุสเนี่ยนะส่วนที่ทิฐิทิทททานุสัยคือทิฏฐิหกสิบสองวิจิกิจฉานุสัยก็คือวิจิกิจฉามีวัตถุแปด